อธิษฐานสมาธิให้ว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณมิดามันดาคุณครูบาอาจารย์ องมาดนลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิอุทโทธัมโมสังโฆพุทโตธัมโมสังโฆุโตุโตพุโต นั่งขัดสมาธิก็ได้ให้ตั้งใจอัตมาจะอธิบายวิธีปฏิบัติให้ให้ทุกท่านทุกคนมีใจระลึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในใจเรา ไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นให้คิดเห็นแต่พุทธโธเท่านั้นทำใจของเราให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธก็คือคุณพระพุทธเจ้าความดีของพพุทธเจ้าความดีต่อสัตว์โลกทั้งหลาย รวมลงรวมใจลงไปให้อยู่กับพุทธโธตรอดเวลาถ้ามันคิดฟุง้งซ่านไปทางอื่นก็ให้ดึงมันกลับมาให้มันอยู่กับพุทธโธพอมันคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างอันนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ยังไม่มีสมาธิ สันสูงเป็นสมาธิธรรมดาเราไม่เอาเราเอาแต่กิจที่แน่วแน่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านคิดไปทางอื่นตั้งใจมั่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธเท่านั้นอย่าให้ใจของเราแสบสายไปห้าอารมณ์ต่างๆไว้นอก รือเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องที่กำลังเป็นไปอยู่ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอะไรให้ทำใจของเราอยู่กับพุโทโธให้ได้พุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมความหมายของพุโทโธตั้งใจ ให้มันดูกับผู้โทนเนี่ยอย่าให้มันไปที่อื่นพอมันอยู่กับผู้โทได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นแกเราเราก็จะได้สมาธิการฝึกสมาธินี่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างว่าเราจะผ่านพ้นมาได้จนถึงวนันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมาด า, าต้องเตรียมการอยู่หลายเดือน ถ้ามาแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติให้ฝึกหัดใจของเราให้มันนิ่งให้มีอารมณ์เดียวให้มีเรื่องเดียวในใจเดินไปก็ตามก่อยนึกพุโทโธพุโทโธไว้นั่งอยู่ก็ตามให้นึกพุโทโธพุโทโธไว้ นอนอยู่ก็ตามให้นึกพุโทโธพุโทโธไวเดยอมันก็หลับไปนี่แหละมันก็มีอะไรมากมายที่จะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือ ว, ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่เปิดการปฏิบัติขึ้นก็เพื่อให้ทุกคนได้สมาธิมีมรรคมีผล ตามกำลังและตามความ พ, อ, พ, อ, พอหมอควรบุญกุศลบรารมีที่เราสั่งสมมาไว้เราสั่งสมบรารมีมาไว้มากก็ได้ธรรมะท่านสูงทําไม่มากพอได้สมาธิถ้าได้สมาธิแล้วค่อยแก้ไขต่อไปอันดับแรกนี่ให้ตั้งใจให้ตั้งใจอยู่กับพุทโธ อย่าไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นเป็นของไม่แน่นอนไม่จริงจังอะไรขอให้เราฝึกใจของเราให้มันได้ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่กับพุทธโธใจของเราก็จะจสงบลงเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเรื่อง น, นั้นไม่คิดเรื่อง น, นี้ใจอยู่กับพุโทโธตลอดถ้าเข้าใจตามนี้ก็เรียกว่าเริ่มรู้จักวิธีฝึกหัดใจเหมือนม้าที่เขาฝึกดีแล้วเข้าสู่สงครามก็ได้อยู่ใน่ามกลางก็สามารถต่อสู้ได้กับ ธาสึกอืน่นๆใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดนี่มันก็ไปตามเรื่องเวลาจะตายก็นึกอะไรไม่ได้ตายไปก็ตุนกนรกถ้าเราตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้มีผลเมียนิสงมากคนจะได้เป็นเทพเทวดาอินพรม หรือบรรลุเป็นพระียบุคคลโซดาส ก, กิทาคาอนาคาอารานใจนี่และสำคัญใจให้มันอยู่ให้สังเกตดูให้ดีเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเราได้เราฝึกหัดนี่ไม่ใช่เพื่อเน้นน้อย เพื่อความบรรลุเป็นพระอรหันต์นเราฝึกหัดใจของเราให้มันถึงสมาธิจนโซโซันสู์สุดคืออัปปนาสมาธิฝึอกอย่างนี้แหละเรื่อยๆทำู่เรื่อยๆ อ, อ, อย่าถอยทำวันแรกอาจจะเหนื่อยเหนื่อยทั้งการเดินทางมา เหนื่อยทั้งไม่ได้กินอาหารมันเหนื่อยไปหมดแหละก่าจะมาเข้าสมาธิก่อนเราจะฝึกสมาธิได้ก็มีเรื่องหนักหลายอย่างทุกระทั่งอารมณ์ต่างๆมาจากบ้านก็เหมือนกันะจะมาสักทีก็ยากเหมือนกันบางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนเท่านั้นมายากก่อจะได้มา ถ้าได้มาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไ ม, มันดีขึ้นหม้มันได้มรกได้ผลหรือว่าได้สมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิแล้ ว, ว่าสมาธิสูงสุดเอาสมาธิที่เป็นอุปจาระนี่แหละไปที่ารนากาย ที่จะหาทุกส่วนของร่างกายขอให้ทำสมาธิก่อนวันต่อไปค่อยฟังเรื่องอ่านปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแต่วันนี้อธิบายเฉพาะเรื่องการฝึกสมาธิเอาสมาธิเป็นหลักทำสมาธิให้มันได้ ถ้าคนได้สมาธินี่เวลาตายไม่ตกนรกเลยตายก็ไปสอนอาตมาอ่านในวิมานวัตถุคนทำบุญทำกุศลอะไรไว้นี่จะเป็นให้ทานรักษาศีลหรือทำกินให้เป็นสมาธินี่มันเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่ เราไม่ตกต่ําเลยพยายามดูดูว่าจิตของเราอยู่กับพูโทโธไหมถ้าไม่อยู่ก็ตั้งสติเพิ่มขึ้นไปอีกให้มันเน้นใจอยู่กับพูโทโธให้ได้ส่วนที่พูดที่ได้แล้วก็ฝึกให้มันละเอียดขึ้นไปอีกส่วนผู้ไม่ได้ก็ให้ยทัด ให้มันมีอารมณ์เดียวให้ได้มาให้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นส่วนผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วก็ให้ทำให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นบางทีเรามาทำเหนื่อเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดาเรามาแล้วต้องอดทน อดทนต่ออากาศอดทนต่ออาหารอดทนต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้อดทนทุกอย่างขอให้เราคิดว่าเรามีสติอยู่กับวัตถุก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเรื่องอื่นนี้มันไม่แน่นอนเรื่องใจเป็นของแน่นอน จะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกก็ใจของเรานี่แหละไปกายของเรานี่ก็นอนอยู่ให้เขาเขาติ่งไปให้ทางใจปฏิบัติอยากคิดว่ามันหนักให้คิดว่าเราเดินทางให้มันถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มีจิตใจแน่วแนว่เด็ดเดี่ยวอดทนโตประศักด์ทั้งหลายทั้งปวง นั่งนานบ้างยืดนานบ้างให้อดทนเอาเพราะเราเสียสละทุกอย่างแล้วแม้แต่สิ่งของก็ต้องเก็บไว้เป็นที่เป็นทางถ้าอยู่กุฏิก็อาจจะใครจะมาลักเอาไปก็ไม่รู้เราไม่ต้องกังวลแล้วเก็บฝากไว้ในตู้เซฟไม่มีใครทำอะไรได้ โยกเวรผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ว่ามันก็แปลก น, นะตีสามทีสี่มันจะดังขึ้นมาหมดเลยพอตีสามทีสี่ได้ยินเสียงกิ้งกังกิ้งกังอาตมาก็ตัมันนอนไม่ได้ตัวเนี่ย เราไม่ต้องกังวลในเรื่องเหล่านี้เพะเก็บรักษาไปให้ให้สบายใจได้อันนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องห่วงว่ารถจะเป็นยังไงอะไระเป็นยังไงจะไปกงังวลถ้าไปมีวิตุกกังวลอยู่มันจะไม่ได้สมาธิไม่ได้มักได้ผล ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้โอกาสมาปฏิบัติครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเป็นโชคดีของเราเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคออกมาได้นี้ถือว่าเก่งมากให้ตั้งใจต่อสู้อดทนอย่าท้อถอย อย่ากังวลอย่าเบื่อหน่ายอย่าขี้เกียจขี้ข้านความดีนี่เราทำเอาเองคนอื่นทําแทนเราไม่ได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ตามไม่มีใครทําให้เราได้เราเป็นผู้ทําเอง เราเป็นผู้ได้อยู่ภายในใจของเราในบุญได้กุศลได้ความดีอะไรต่างๆอยู่ที่ใจนะี่ใจนะเป็นผู้ยึดพื้นถือผู้สำคัญมั่นหมายให้แก้ไขตัวใจให้มันได้คือได้สมาธิก่อนแล้วค่อยว่าเรื่องอื่นต่อไปวพราะการฝึกหัดสมาธิมีความจำเป็นมาก มีความจำเป็นจริงๆถ้าใจเรามีสมาธิแล้วตายไปไม่ตกนรกเลยที่เราทำอยู่มันขั้นสูงทานบริจาคสิ่งของทงมบุญทำกุศลศีลรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยสมาธิเหล่านี้ ไม่มีใครจะมาทำแทนให้เราได้ฐานยังพอทำด้วยกันได้แต่พอถึงศีลถึงสมาธิแล้วเราได้ของเราเองเรารู้ใจของเราเองคนอื่นไม่รู้อะไรเรานึกกุทโทอยู่ก็ไม่รู้อะรเรานึกกุทโทให้เราจะสบายมีความสุขความสงบ มีความสบายในตัวสบายในใจนั่นแหละสังขารร่างกายของเราเนี่มันเอาแน่ไม่ได้แต่ว่าใจนี่มันแน่นอนไปตกนรโลกก็ใจและพาไปไปสวรรค์ก็ใจแนี่ไปจิตของเราไปส่วนกายนี่ก็ไม่ได้ไปไหนไปป่าชา เอาทิ้งไปเฉยแต่คุณงามความดีที่เราทมเอานี้ไม่มีใครทำแทนเราได้อธิบายแย่ก็ยากไม่มีการทำแทนกันได้เราต้องทำเองทำเอาของเราเองนี่แหละมันไม่ใช่ธรรมดาให้ตั้งใจปฏิบัติแม้จะมีเวลาน้อย ก็ชื่อว่าเราเสียสละแล้วทุกอย่างตั้งใจมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมที่วัดป่าร้อนในโซ่ให้มันอยู่อย่างนี้แหละอย่าพึงวางให้น้อมกิดเข้าถึงธรรม กำหดนดไว้ไว้อย่างนั้นแหละกำหนดไปในใจของเราเราจะลืมเรื่องอื่นทั้งหมดเราโลดอยูก่กับพุโทโธอย่างเดียวพุโทโธกว่าจะได้มาแสนยากยากที่สุดต้องสร้างสมบุญญาบุญมีมามาก กว่าจะได้รับพยากรต้องสร้างบารมีต่อไปอีกเสียสงไขกับแสนมากับจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างสมคุณงามความดีมามาก ยาวนานกว่าใลกว่าจะได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธโธนี่มันยากจริงๆวิธีการปฏิบัติแบบในอินเดียทั้งหมดที่เจ้ารัติต่างๆมีเป็นร้อยเป็นพันลัติมีทั้งความเห็นผิดทั้งความเห็นถูกพระพุทธเจ้าจัดสู้แล้วสอนในคนเห็นถูก ให้เป็นสมาสมาธิให้เป็นสมาธิทิฏิสอนให้รู้ความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสมหรือสร้างสมมานี่มันนานนานจริงๆ่าให้มันหมุนให้มันอยู่กับพุทธโธเสื็อย่าบังคับมัน คอยรู้คอยเห็นอยู่ธรรมดาอยาา่าไปบังคับให้มันเปิดสมาธิแบบนั้นแบบนี้หลวงปู่มั่นนะ่ะท่านสอนสมาธิมากผลนิพพานให้แก่บริษัทบริวารหรือพระสองค์เจ้าสมัยนั้นพบริกรรมพุทโธนี่แหละกระดูขท่านจึงได้เป็นพระธาต ที่หลวงพ่อวิธีอย่างซึ่งเคยเป็นอุปถัมภของหลวงปู่มั่นเป็นเวลาสี่ปีจนวาระสุดท้ายของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้คอยดูท่านสร้างเกดีไว้เป็นเทือลึกที่หลวงพ่อวิธีอย่างท่านทำ ทำให้หลวงปู่มันคอยปฏิบัติพุทโธพุทโธนี้เลยไว้ท่านเหล่านั้นก็ได้ความสำเร็จในการปฏิบัติมันคู่บาอาจารย์พวกเราเราก็เหมือนกันก็ต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันจึงสบายขึ้นได้ ยอมเป็นยอมตายไม่ถอยไม่หมดกำลังใจมีแต่การต่อสู้เพื่อที่ใช้ได้มักุณอันดับแรกขอให้เราจิตเป็นสมาธิก่อนส่วนมากุณไม่ค่อยเป็นไปหรอกอันดับแรกขอให้ตั้งใจฝึกหัดเราได้ทั้งศีลทั้งทาน ทั้มรรคทัางคนทา้งนิพพานถ้าคนปฏิบัตินะแต่ถ้าคนไม่ไม่ปฏิบัตินี่มันก็ไม่ได้อะไรสวรรค์มันก็ไม่ได้นิพพานมันก็ไม่ได้ตายแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะไม่มีกรรมฐานหรือไม่มีหลักในการปฏิบัติ เราปฏิบัติให้จิตสงบเราต้องรู้ว่าใจของเรานี่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไหมไม่คิดเรื่องอื่นไหมเราต้องคอยดูใจของเราใจเราก็จะเข้าถึงพุทโธหรือถึงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระ อ, องค์ก็สร้างบา ร, รมีมานานแสนนา น, าน กับหนึ่งนั่นมีสะใบหนึ่งกว้างหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศเท่ากับสะใบหนึ่งความลึกลงไปก็หนึ่งโยศสี่รอยเส้นนะร้อยปีเทวดาเอาเม็ดงา ทิ้งลงไปเม็ดหนึ่งในบอ่อนนะหรือในที่ที่กว้างยาวเสมอกันนะให้ลองคิดดูที่ว่าจะจะนานแค่ไหนกลับเดียวนะไม่ได้ไม่ได้ไไดสงไข่นะสงไขยมันมากยิ่งเลยนะแะต่ว่ากลับหนึ่งนี่ให้คิดว่าจะมีเทวดาองค์ไหน ว่ามีบุญมีกุศลอายุยืนคอยเก็บนิสัยใส่เม็ดหนึ่งจนจะัยนั้นเต็มไวรมเมรมิดงาจึงได้ว่ากับหนึ่งร้อยปีเอาเพชรงามาทิ้งลง รอยปีก็เอามาทิ้งลงจนสะใบนั้นเต็มด้วยเม็ดงาเอาลองคิดดูสิมันจะยาวนานแค่ไหนเราเกิดเราแกรเราเกบแล้วตายมากี่พวกกี่ชาติแล้วนับไม่ไหวมันมากให้คิดดูที่ว่าสะใบหนึ่งกว่ามันหนึ่งยนดสูงหนึ่งยดลึกลงไปหนึ่งยอ จะเต็มโดยเม็ดงาได้เมื่อไรนี่แหละเนียว่ากลับหนึ่งแต่เราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจดสระว้นั้นเต็มด้วยเม็ดงาท่านทั้งหลายก็คงเคยเกิดแก่เก็บตายมาแล้วทั้งนั้น ถ้าปฏิบัติรรมก็อาให้ถึงที่สุดอย่าถอยอยากง่ายป่านนี้ก็ตามอย่าถอยอย่าท้อใจอย่าหมดกำลังใจให้มีใจเดี่ยวมั่นคงตายเป็นตายอย่างเป็นอย่างสู้กันให้เต็มที่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราสู้กับพวกพญ า, ามาร พระองค์สู้ยามาได้ที่ต้นโพนะที่ประเทศอินเดียนะพระองค์เอาชนะมารได้เดี๋ยวกบมารวิจัยมารพ่ายแพย้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่รู้ว่าทำบาปทำกรรมอะไรมา มันตัวนี้ก็คอยกวนตลอดลบรบกวนตลอดเรานั่งไปบางทีก็ง่วงนอนนั่งไปบางทีก็ เ, นเหน็ดเหนื่อยให้คิดราวพ<ม>ระพุทธเจ้าเรานะ่ะฝึกปฏิบัติตามลัทธิสมัยเรานั้นพระองค์ทาหมดแล้วซึ่งเรียกว่าทุกขละกิริยา ทุกที่สุดทำตามแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างไม่มีใครทำได้แบบพระพุทธเจ้าเลยแต่ก็ยังไม่สำริจแต่พอองคได้ชัยชนะแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจา้าอยคุทโตให้ต่างไปปฏิบัติ อย่าหมดกำลังใจนะทุกท่านทุกคนให้ปฏิบัติให้ได้แต่ก็อย่าไปตั้งใจว่าเราต้องเป็นนั้นเป็นนี่ให้ใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็พอแล้วใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ใช้ได้แล้วส่วนมัน ยิ่งขึ้นไปมันก็ค่อยเกิดหรอกเหมือนเราปลูกต้นไม้น่แหละต้นมะม่วงเราปลูกลงในดินมันกิกินอาหารในดินแล้วก็ใหญ่ก็โตไปเองมีลูกมีอะไรมีลูกมีผลต่อไปอีกนี่แหละขอ้ตั้งใจให้จดจำไว้ ให้ดีจำวิธีปฏิบัติได้ก็สามารถตัดกิเลสตัณหาจากใจเราได้เอาปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเอาความดีที่เราจะได้มันสูงส่งมันไม่ธรรมดา มีบุญจริงจริงถึงได้มาปฏิบัติอย่างพระสงองค์เจ้าท่านปฏิบัติของท่านเองก็ปฏิบัติแบบพุโทโธนี่แหละพวกเราก็มีโอกาสมาบางคนก็มาหลายครัง้งบางคนก็เพิ่งมาใหม่ให้ตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี่ มันเป็นของดีแม้เราได้สมาธิก็ประเสริฐแล้วถ้าเราได้มากผลก็ยิ่งประเสริฐกว่านั้นอีกไม่มีใครทําแทนกันได้ขอให้ทมาตามวิธีแล้วมันเป็นไปเองให้ต่างผู้ใจปฏิปัติต่อไป